พระธรรมเทศนาแผ่นที่สองลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่5มัมกราคม2557มีชื่อเรื่องว่าคำว่าอดอยากอย่าได้มีในมณฑกูบาจารย์ฉันพัฒหารและท่านีนะพี่น้องประชาชนจท่ทายญาติโยม รับทานอาหารตามมัธยายไสเนะ่โรงทานของเราเพันกว่าโรงอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยรับทานอาหารโรงทานไหนตามานะาาามัธยายไสเน่คณะสัตยาญาติโยมแต่ถึงอย่างไงหลวงพ่อขอบอกขอบินทบาทขอร้องกับลูกหลานนะเน่อย่าให้มีมิจฉาชีพอยู่ในวัดของหลวงปู่ของเราเนะ่ลูกหลานเนะ่พวกเรามาสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกัน อย่าไปคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วในสถานที่แห่งนี้ไม่ได้นะเป็นบาปเป็นกรรมทวีคูณ น, นะลูกหลานนะเกิดพบใดชาติใด เ, เราจะเป็นคนทุกข์ยากลำบากหากินไม่พอปากบอดพอท้องตลอดไปนะลูกหลานนะเพราะไปทำความชั่วในสถานที่ทำบุญของเขา้าเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายนะอย่าไปคิดชั่วนะใครก็ตามเข้าไปในห้องน้าก็ให้ระวัง ปลอกพระพวกวิทยุโทรศัพท์อะไรก็ตามนะั่นอย่าให้ตกหล่นน่หลูกหลานนั่ดูตัวเองให้เรียบร้อยออพอมาเรามาในที่สาธารณะเรามาในที่สาธารณะต้องดูสมบัติของตนเองเออพวกกระเป๋งกระเป๋าให้ักนำมัดระวังนั่นแหละอย่าไปพูดแต่ทางผู้ที่เขาหยิบฉับฉวยก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันพวกเราเป็นเจ้าของเราก็ต้อง ช่วยๆกันดูสมบัติของตัวเองนะหลูกหลานนะแล้วก็ขณะที่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ฉันพัฒหานขอให้คณะสธาญาติโยมอยู่ในความสงบอย่าไปถ่ายรูปในขณะที่พระฉันจังหันเนาะเอพราะมันดูๆแล้วมันไม่งามเวลาพระอ้าปากเม็ดเข้าอยู่ในปากดูๆแล้วไปอยู่ในสถานที่ใดไปตกอยู่ในภาพของผู้ใดดูแล้วไม่น่าดู เพราะนั้นขออยู่ในความสงบซะก่อนลูกหลานอย่าถ่ายรูปในขณะที่พระสงฆ์กําลังฉันพัตาหารท่านท่านฉันพัตาหารท่านก็ภาวนาของท่านนะเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายอย่าไปรบกวนท่านให้อยู่ในความสงบก่อนนะลูกหลานนะเพราะฉันท่านฉันมื้อเดียวเท่านั้นนะพอจากนั้นท่านก็งดฉันแล้วก็จบวันเดียวเพราะนั้นท่านจึงสันด้วยความสงบของท่านพวกเราอย่าไปรบกวนท่านในขณะที่ท่านฉัน เอออาหารที่ใส่บาทนะเลือกขึ้นมาพอสมควรนะเอามาถวายครูบาอาจารย์ถ้าไม่เอามาถวายเลยก็ไม่ได้ดูดูแล้วก็ศรัทธาญาติโยมอยากจะทําบุญกับครูบาอาจารย์ตักบาทนะเพราะฉะนั้นขอให้เลือกขึ้นมาใส่ถาดขึ้นมาตะก้าขึ้นมาสายละสี่ห้าหรือสายละสิตะก้าก็น่าจะพอนะไอ้ช่วยๆกันช่วยกันดูเนาะไอ้เลือกเลือกขึ้นมา เลือกเอาของดีที่สุดนะขึ้นมานะถวายครูบ า, าอาจารย์ไม่ใช่ว่าขยุมขยุ่มขึ้นมาแล้วไม่เอานะอย่างนั้นนะ เ, เวลาเกิดพบหน้าชาติหน้าได้ของดีได้ของมาะเะรบบขยุ่มขยุมไม่ได้นะต้องของสวยงามนะเพราะนั้นเวลาจะเอามาถวายครูบาอาจารย์ต้องเลือกซะก่อนควรจะเอามาถวายนะเอาขึ้นมาบ้างนะแต่จำนวนที่เหลือนะ ก็ผมขออนุญาตจากคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ขอแจกให้คณะสัตย า, าติยมเนะให้เป็นธรรมเนะเฉลี่ยกันเฉลี่ยกันเพราะอาหารมันเยอะเละอเกินที่ตักบาสนะแต่ทึงยังไงก็ต้องเลือกเอาถวายครูบาอาจารย์ก่อนออไม่ใช่ว่าจะยกไปทั้งหมดไม่ได้ไม่ถูกไม่ถูกนะทำอย่างนั้นไม่ถูกเดี๋ยวเป็นบาปเป็นกรรมอีกต่างหากเพราะสัตย า, าติยมผู้มี ตั้งอกตั้งใจมาทาบุญก็จะใส่บาตรพระสงฆ์เมื่อใส่บาตรแล้วก็บางส่วนก็ให้ถึงพระสงฆ์บ้างแต่จะให้ถึงพระสงฆ์ทุกอย่างก็คงเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันเยอะนะแต่ถึงยังไงก็ต้องให้ถึงมือพระสงฆ์กูบายจา์เป็นบางส่วนเลือกเอาขึ้นมานะลูกหลานนอะคว่าเลือกก็ไหมที่เอาของดีๆเลือกถวายพ่อแม่กูบายจานจริงจะได้บุญมากนะลูกหลานนะ คณะสัตย า, า, าติโยมลูกหลานนะถ้าว่าเห็นพระสงฆ์นั่งอยู่ที่ไหนอาหารน้อยนะอาหารไม่เพียงพอมาที่ศาลากา ร, ปรเปรียญเนนะ้อลูกหลานเะ้อมาแสดงความจำนงมาบอกได้จะให้คณะสัตย า, าติโยมยกอาหารไปถวายเพราะอาหารที่นี่เยอะอาหารตรงตรงไหนที่มันน้อยออไม่เพียงพ อ, อ, อพวกเรา เ, เป็นสัตย า, าติโยมที่นั่งอยู่ใกล้พระสงฆ์ถ้าอาหารไม่เพียงพอ มารับเอาอาหารไปได้นะอาหารพวกเรามีเยอะแยะเลยวันนี้หรือไปทางโรงทานก็ได้หรืออาหารบินท่าบาทก็ได้เต็มไปหมดอาหารวันนี้ล้นหลามเพราะว่าโรงทานของพวกเราทั้งหมดพันกว่าโรงนะวันนี้นะเมื่อเช้านี่หลวงพ่อได้ทราบวอกพันหนึ่งร้อยกว่าโรงโรงทานแล้วก็โรงทานต่างๆหลวงพ่อเองในานามคณะสงฆ์ ลูกศิษย์ลูกหาองคหลวงปู่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเยี่ยงหนะ้าคณะสัายาติโยมถ้าหากว่าผู้ใดยังไม่พ้นทุกพ้นทุกในวัฏสงสารในภพบนชาตินี้ก็เกิดภพใดชาติใดค็ว่าอดอยากยังได้มีเนะ้าลูกหลานเนะ่าร่ำรวยตลอดไปเนะ้า